พวกเราชาวพุทธพวกเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจกันเวลาที่เรามีความทุกข์ทางใจไม่มีอะไรในโลกนี้จะดับความทุกข์ทางใจของพวกเราได้นอกจาก พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเราจึงต้องมาทำความรู้จักกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นอย่างไรและททำอย่างไรจะทำให้ท่านมาเป็นที่พึ่งของเรามาดับความทุกข์ใจของเรา เวลาที่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นเวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราตายเวลาที่เราพัดพากจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆใจของเราถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จะมีความทุกข์ทรมานใจมากแต่ถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่มีความทุกข์ทรมานใจแต่อย่างใดเราก็เลยต้องมาทําความรู้จักมาทําความศึกษาว่าเราจะทําอย่างไรถึงจะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่ง ทางใจมาดับความทุกข์ใจต่างๆสิ่งแรกที่เราควรจะทำความรู้จักก็คือพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นใครท่านจึงมาเป็นที่พึ่งของเราได้มาดับความทุกข์ทางใจของเราได้เราก็ต้องศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า ศึกษาว่าท่านทำอย่างไรท่านจึงเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของพวกเราได้พระพุทธเจ้าก็เป็นชาวอินเดียเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินเกิดในประเทศอินเดียเมื่อประมาณสองพันห้าร้อกว่าปีมาแล้วตอนที่ทรงประสูติใหม่ๆ พระเจ้าแผ่นดินคือพระราชบิดาก็ให้หัวราจา์ต่างๆมาดูดวงให้แก่พระราชโอรสคือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็มีหาาัวราชาลายรูปด้วยกันที่เห็นว่ามีอนาคตไปได้สองทางด้วยกันคือถ้าอยู่ในทางโลก ถ้าอยู่เป็นกษัตริย์ต่อไปก็จะได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิจะเป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนามีความสามารถที่จะทำสงครามที่จะเอาชายชนะในสงครามและครอบครองดินแดนต่างๆไว้ได้อย่างมากมายหรือถ้าท่านไม่อยู่เป็นกษัตริย์ ท่านออกบวชก็จะได้ตัสรุเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่สัตว์โลกก็มีโหราจาร์อยู่รูปเดียวที่ทำนายว่าจะต้องออกบวชและจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าสุดโทธนะคือพระราชบิดา ได้ยินคำทำานายของหราจารย์เหล่านี้ก็มีความวิตกคือไม่อยากให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชอยากจะให้อยู่ในวังเพื่อให้ได้เป็นกษัตริย์เป็นพระมหาจากักษัตริ์ต่อไปจึงทรงสร้างปราสาทสามฤดู ให้เป็นที่ประทับแล้วก็ห้อมร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสุขทุกรูปแบบทางตาหูจมูกลิ้นกายห้อมร้อมด้วยคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามแข็งแรงไม่ให้มีคนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปอยู่ในวังไม่อยากให้เจ้าชาย สิท ธ, ธัตถะนั้นเกิดความทุกข์ใจเกิดความเศร้าใจเพราะกลัวว่าเมื่อเกิดความทุกข์ใจเกิดความเศร้าใจก็จะไม่อยากที่จะอยู่ในวังอยากจะไปหาวิธีการแก้ความทุกข์ใจความเศร้าใจเใจ้าชายสิท ธ, ธัตถะจึงจเจริญตกตัวท่วววามกลาง แวดล้อมที่เต็มไปด้วยความสวยงามความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงทำให้พระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่ในวังมาได้อย่างต่อเนื่องจนได้มีพระมเหสีและต่อมาก็ได้ราชโอรสแต่วันหนึ่ง งมีความอยากรู้อยากเห็นว่าชีวิตนอกกำแพงวังนี้เป็นอย่างไรบ้างแต่ไม่ได้ทรงแต่พระเจ้าชายแต่พระเจ้าแผ่นดินคือพระราชบิดานี้ทรงห้ามไม่ให้ออกไปนอกพระราชวังให้อยู่แต่ภายในวัง่ความอยากรู้อยากเห็นทำให้พระองค์ต้องเล็ดลอดออกไป หนีออกไปดูไปกับมหาเล็กสองคนก็ออกไปชมเมืองภายนอกวงังก็ไปเห็นคนแก่คนชราที่พระองค์ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ทรงถามมหาเล็กว่าคนนี้เป็นใครเป็นอะไรมหาเล็กก็ ว, ว่าเขาก็เป็นคนเหมือนพระองค์นี่แหละ สมัยก่อนเขาก็มีรูปร่างหน้าตาแข็งแรงเหมือนพระ อ, องค์แต่หลังจากที่อยู่ไปหลายปีแล้วร่างกายก็จะเริ่มแก่ลงไปจนเป็นแบบที่พระ อ, องค์ทรงเห็นอยู่อย่างนี้แห ล, ละแม้แต่พระ อ, องค์เองต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันจะต้องเป็นคนแก่คนชราเหมือนกันเหมือนกับชายที่พระ อ, องค์ได้ทรงเห็น หลังจากนั้นก็ทรงเดินต่อไปก็ไปเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่หน้าบ้านร้องครวรครางก็ถามว่าชายคนนี้เขาเป็นอะไรหรือก็ได้คำตอบว่าเขาไม่สบายเขาปีโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับทุกคนที่เกิดมาแล้ว แม้แต่พระองค์เองต่อไปก็จะต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้เช่นเดียวกันเมื่อทรงได้ยินก็ทรงมีความวิตกเพิ่มขึ้นมาทเลทลาแลกเทาน้อยครั้งแรกเห็นคนแก่ก็วิตกขึ้นมาพอเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยและทรงทราบว่าจะต้องเป็นอย่างคนอย่างคนที่ทรงเห็น ก็ยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลให้มีเพิ่มมากขึ้นแล้วเดินชมเมืองต่อไปก็เห็นขบวนแห่ศพเพื่อที่จะนำเอาไปเผาก็ถามว่าเขาแห่ อ, อะไรกันก็ทราบว่าเขาแห่คนที่ตายแล้วคนที่เหมือนกับพระองค์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้แต่ต่อไปหลังจากที่ แก่ลงไปแล้วเจ็บไายได้ป่วยแล้วไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้ในที่สุดก็ต้องตายไปเมื่อตายไปเขาก็ไม่สามารถที่จะเก็บร่างกายนี้ให้อยู่กับคนเป็นได้เพราะร่างกายจะเน่าเปื่อยส่งลิ่นเหม็นจำเป็นที่จะต้องเอาไปชาปนากิจคือเอาไปทำลาย ให้สิ้นซากไปเพื่อจะได้ไม่มาเป็นสิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าเห็นก็ต้องมีการทำชาปน ก, กิจร่างกายของคนที่ตายไปแล้วแม้แต่พระองค์เองสักวันหนึ่งก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันอพอได้ยินได้ฟัง ว่าในที่สุดพระ อ, องค์ก็จะต้องตายไปซึ่งเป็นความจริงความรู้อันใหม่ที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะตลอดชีวิตนี้ได้ถูกปกป้องจากพระราชบิดาไม่ให้ได้เห็นคนแก่คนเจ็ บ, ค น, จบคนตายเลยจึงไม่รู้ว่าพระ อ, องค์เองนั้นก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายจึงเกิดความ ทุกขึ้นมาภายในใจเป็นอย่างมากเพราะพระองค์ไม่อยากที่จะเป็นคนแก่ไม่อยากที่จะเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยและไม่อยากที่จะเป็นคนตายและก่อนที่จะเดินกับเข้าวังก็ไปเห็นชายรูปหนึ่งแต่งกายไม่เหมือนผู้อื่นก็ถามว่าชายคนนี้เขาเป็นใครเขาทําอะไร ก็ได้ทราบว่าเขาเป็นนักบวชผู้ที่แสวงหาการหลุดพ้นจากการแก่การเจ็บและการตายนี่เองเมื่อทรงเห็นก็มีความรู้สึกใจชื้นขึ้นมาว่าออถ้ายังมีโอกาสที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แต่ยังไม่มีใครรู้วิธี ว่าทำอย่างไรจะทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็มีความพยายามกันที่จะค้นหาวิธีด้วยการไปออกบวช ด, ด้วยการไปศึกษาวิธีต่างๆที่จะทำให้ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายหลังจากนั้นพระองค์ก็กลับเข้าวังไปแล้วก็ มีความรู้สึกที่แตกต่างจากครั้งที่ยังไม่ได้ออกมานอกพระราชวังเริ่มเห็นว่าอนาคตของพระองค์เองจะเป็นอย่างไรและมีความคิดอยากที่จะหาวิธีที่จะทำให้พระองค์ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายพระทรง เห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นความทุกข์อย่างมากนั่นเองจนมาถึงคืนที่พระเมหสีได้คลอดพระราโชรสตอนนั้นพระองค์ก็มีพระพันสายี่สาพันสาด้วยกันพอทราบว่าพระเหสีได้คลอดพระร า, า, ระระาชโชรสออกมาพระองค์ก็ทรงเห็นว่าถ้าอยู่ต่อไป ก็จะไม่สามารถที่จะออกไปบวชได้จึงต้องตัดสินพระไทยในคืนนั้นว่าจะต้องเสด็จออกจากพระราชวังไปเพราะถ้าอยู่ในวังต่อไปก็จะต้องไปเจอกับความแก่ไปเจอกับความเจ็บไปเจอกับความตายซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่ปรารถนาเลย ก็เลยตัดสินพระไทยเสด็จออกจากพระราชวังไปในคืนนั้นไม่ยอมไปดูพระราชโอรสและส่งอุทานภายในใจว่าพระราชาโอรสคือบ่วงเรียกว่าราหุลภาษาบาลีแปลว่าบ่วงเขาเลยตั้งชื่อพระราชโอรสว่าราหุลคืนนั้นพระองค์ก็เลยเสด็จเล็ดลอดออกจาก พระราชวังไปโดยไม่มีไม่ได้บอกให้ใครรู้มีนายชนะเป็นผู้ตามเสด็จเพื่อที่จะเอาม้ากลับมาพอไปแล้วพระองค์ก็มุ่งไปสู่การเป็นนักบวชไปถือศีลของนักบวชแล้วก็ไปศึกษากับอาจารย์ที่เป็นนักบวชถึงวิธีที่จะทำให้ ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายหรือถ้าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันตอนนี้พระไทยของพระองค์ทุกข์มากทุกครั้งที่คิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายนั้นมีแต่ความทุกข์ใจยังได้ไปศึกษากับพระอาจารย์อยู่สองรูป ที่รู้จักวิธีระ ง, งับความทุกข์ใจเวลาที่คิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บและคิดถึงความตายแต่เป็นการระ ง, งับความทุกข์ใจชั่วคราวก็คือการนั่งสมาธิทําใจให้สงบเวลาใจสงบใจก็จะไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บและความตายความทุก ก็จะไม่มีในตอนนั้นแต่เวลาออกจากสมาธิมาพอมาเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายความทุกข์ก็กลับคืนขึ้นมาใหม่พระองค์จึงต้องออกไปศึกษาต่อด้วยพระองค์เองเพราะครูบาอาจารย์ทั้งสองรูปก็สอนได้เพียงเท่านี้ สอนให้ดับความทุกข์ด้วยการเข้าไปในสมาธิอย่าไปรับรู้อย่าไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเวลาใจสงบความทุกข์ต่างๆก็หายไปหมดแต่พอออกจากสมาธิมาพอมารู้มาเห็นเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ก็ย้อนกลับคืนขึ้นมาใหม่พระองค์เลยต้อง ไปศึกษาค้นคว้าหาวิวธีดับความทุกข์ในขณะที่เจอกับความแก่ความเจ็บความตายว่าจะดับได้อย่างไรและจะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายได้อย่างไรหลังจากที่ได้ลองผิดลองถูกอยู่ในที่สุดพระองค์ก็ทรง ค้นพบสาเหตุของการเกิดการแก่การเจ็บและการตายค้นพบสาเหตุของความทุกข์เวลาที่เจอความแก่เจอความเจ็บและเจอความตายแล้วก็ส่งค้นพบวิธีที่จะทําลายเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา จนในที่สุดพ่อองค์ก็สามารถที่จะหยุดความเกิดแก่เจ็บตายได้และความแก่ความเจ็บความตายที่จะต้องเผชิญก็จะรู้จักวิธีที่จะไม่ต้องไปทุกข์กับมันทรงค้นพบว่าทุกข์นั้นเกิดจากความอยากของตนเองความอยากไม่แก่นี่แหละความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละ ความอยากไม่ตายนี่ละที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาวิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องทำใจให้เฉยให้สักแต่ว่ารู้ให้รู้เฉยๆเวลาเจอความแก่ก็รู้ว่าแก่แต่อย่าไปอยากไม่แก่เวลาเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้รู้เฉยๆว่ากำลังเจ็บไข้ได้ป่วย แต่อย่าไปยากไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเจอความตายก็ให้รู้เฉยๆว่ากำลังจะตายไม่ให้อยากไม่ตายถ้าสามารถทำใจให้เฉยไม่ให้มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นและหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ถ้าไม่มีความอยากต่างๆใจก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาอีกต่อไปนี่คือการค้นคว้าหาความจริงของพระพุทธเจ้าด้วยการทดลองด้วยการปฏิบัติดูที่พระทยของพระองค์เองก็ทรงเห็นว่า ความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากต่างๆสามประการเช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้เป็นส่วนหนึ่งความอยากโดยรวมมีอยู่มีอยู่สามความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายความอยากหาความสุขจากราบยศสรรเสริญสุขความอยากรักษาความสุขที่ได้จาก ราบยศสารเสริญสุขคือความอยากไม่ให้ราบยศสารเสริญสุขเสริมไปนั่นเองถ้ามีความอยากสามแบบนี้อยู่ในใจใจก็จะต้องทุกข์ไปเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายเวลาเจอความเสื่อมของราบยศสารเสริญเวลาอยากได้แล้วไม่ได้ได้สิ่งที่อยากได้ก็จะเกิดความทุกข์ ต่างๆขึ้นมาวิธีที่จะหยุดความอยากต่างๆนี้ก็ต้องดูความจริงของสิ่งต่างๆว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นของที่มีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับจะให้ขึ้นอย่างเดียวไม่ได้จะให้เกิดอย่างเดียวไม่ได้เกิดแล้วก็ต้องดับขึ้นแล้วก็ต้องลงถ้าไม่อยากให้ลงก็จะทุกข์ ถ้าไม่อยากให้ดับก็จะทุกข์แต่ถ้ายอมรับความจริงว่าขึ้นก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ต้องลงลงก็ปล่อยมันลงไปเกิดก็ปล่อยเกิดแล้วมันจะดับก็ปล่อยมันดับไปเจ้นร่างกายเกิดแล้วมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเพราะไม่เพราะทำอะไรไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ห้ามความตายไม่ได้ห้ามความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ ห้ามความแก่ไม่ได้แต่ห้ามใจไม่ให้ไปทุกข์กับมันได้โดยการหยุดความอยากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากให้สิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับความอยากให้สิ่งที่เจริญนั้นไม่เสื่อมความอยากเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราห้ามได้หยุดได้ถ้าเราเห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่า แะ่แล้วก็ต้องเสือ่อมจะห้ามหรือจะอยากหรือไม่อยากเสือ่อมก็มันก็ต้องเสื่อมเหมือนเดิมถ้าอยากไม่ให้มันเสือ่อมก็จะทุกข์ไปเปล่าๆถ้ายอมรับความเสือ่อมปล่อยมันเสื่อมไปใจก็จะไม่ทุกข์ปล่อยมันตายไปปล่อยมันดับไปใจก็จะไม่ทุกข์กับการดับของสิ่งต่างๆการเสื่อมของสิ่งต่างๆ ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทุกชนิดเพราะความทุกข์ทุกชนิดก็เกิดจากความอยากไม่ให้สิ่งต่างๆนั้นเส่อมหรือเปลี่ยนไปนั่นเองมีเท่านั้นนี่คือพระพุทธเจ้าที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทางใจพระองค์ได้ทรงคนพบต้นเหตุของความทุกข์ใจของพวกเราและทรงค้นพบวิธีที่จะ ทำลายต้นเหตุของความทุกข์ใจของพวกเราให้หมดไปพระองค์เองก็ได้ทำลายต้นเหตุของความทุกข์ใจคือความอยากต่างๆในพระทัยของพระองค์จนหมดสิ้นไปใจของพระองค์นั้นไม่มีความทุกข์ใจเพราะใจของพระองค์รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปมี เกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะต้องพาให้กลับมาเกิดใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ก็อย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปหาลาบยศสารเสริญสุขอย่าไปรักษาอย่าไปอยากให้ลาบยศสารเสริญสุขไม่เสื่อม นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและได้ทรงกําจัดคือความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดในพระทัยของพระองค์หลังจากนั้นก็ไม่มีความทุกข์อยู่เลยพอพระองค์ได้พ้นพบวิธีดับความทุกข์ต่างๆหมดแล้วพระองค์ก็นาเอามาเผยแผ่แผสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไป ผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามก็สามารถทำใจให้ละความอยากต่างๆได้ดับความทุกข์ต่างๆได้หมดเหมือนกับพระพุทธเจ้าเลยท่านเหล่านี้ก็เป็นพระ อ, อาลาันตสาวกขึ้นมาเป็นระสงส์ขึ้นมา นี่คือที่มาของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งของพวกเราเราสามารถใช้องค์ใดองค์หนึ่งเป็นที่พึ่งได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีครบทั้งสามองมีพระพุทธเจ้ามาสอนก็ทำให้เรามีที่พึ่งขึ้นมาได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานานตสาวกทั้งหลาย ให้เป็นพระอาารันตสาวกขึ้นมาก็อาศัยการฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่เองแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้จากพวกเราไปแล้วเราก็เลยต้องพึ่งพระธรรมคำสอนแทนเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านี่เอง ที่เราเข้าหาพระพุทธเจ้าเราไม่ได้หาสลีละร่างกายของพระพุทธเจ้าเราเข้าหาคําสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นถึงแม right, ้ว่าพระสลีละคือร่างกายของพระพุทธเจ้าได้แตกสลายไปแล้วแต่พระธรรมคาสอนของพระองค์ไม่ได้แตกสลายไปด้วยเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้าได้ก็คือพระธรรมคําสอนที่ได <INE dying. S 1> ้ร <derni ers> <te apt répondre> ับการ บันทึกไว้ถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็คือที่เก็บคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าไตรก็แปลว่าสามปีฎกก็แปลว่าตะกร้าพระไตรปิฎกก็เป็นตะกร้าสามตะกร้าที่เก็บคำสอน ของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ในขณะที่มีพระชนชีพอยู่ซึ่งสามตะก้านี้สามปิดกนี้ก็แยกเป็นหมวดของคําสอนมีพระสูตรปิดกมีพระวินัยปิดกและมีพระอภิธรรมปิดกนี่ก็เป็นสที่แบ่งได้จัดเก็บไว้เป็นสามส่วนพระสูตรก็คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ในวาระต่างๆเวลาที่ทรงไปโปรดสั่งสอนบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ก็มีผู้บันทึกเอาไว้เหมือนกับสมัยนี้เวลาครูบาอาจารย์แสดงธรรมก็มีการบันทึกเสียงเอาไว้เก็บเอาไว้เพื่อที่จะได้ใช้ในโอกาสที่ครูบาอาจารย์ท่านได้จากพวกเราไปแล้วเราก็ยังสามารถอาศัย พระธรรมคําสอนของท่านเป็นตัวแทนท่านได้สามารถสอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เหมือนกับตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เลยพระธรรมคสอนของพระเจ้าจึงได้มีการจัดเก็บไว้โดยแยกเป็นสามส่วนด้วยกันส่วนแรกเรียกว่าพระสูตรส่วนที่สองเรียกว่าพระวินยัยพระวินัยนี้ก็เป็นคําสอนที่สอนให้กับพระภิกษุให มีศีลข้อต่างๆนั่นเองศีลสองรยี่สิบเจดข้อนี้ก็จะอยู่ในพระวินัยปิดกศีลสามร้อยกว่าข้อของภิกษุณีก็มีอยู่ในพระวินัยปิดกแล้วตะก้าที่สามคือหมวดที่สามก็คืออภิธรรมก็เป็นธรรมหลักธรรมต่างๆที่ได้มาได้มา แยกแยะมารวบรวมไว้เป็นหลักธรรมไม่ได้มีเหตุการณ์เกี่ยวข้องเหมือนกับพระสูตรหรือพระวินัยฮะพระสูตรนี้จะแสดงถึงเหตุการณ์ว่าทรงประทับอยู่ที่ไหนทรงแสดงทำให้กับใครพระวินัยก็เช่นเดียวกันว่าทำไมถึงได้บัญญัติพระวินัยข้อนั้นข้อ น, น, อนี้เพราะมีเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นกับพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ได้ไปกระทา สิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าชมก็มีการร้องเรียนเมื่อมีการร้องเรียนก็มีการไต่สวนเมื่อเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ควรก็ส่งห้ามขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นศีลของพระนี่คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่เราสามารถยึดเป็นที่พึ่งทางใจได้ ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็เหลืออยู่สองเท่านั้นเหลือแต่พระธรรมกับเหลือกับพระอริยสงสาวกพระอริยสงสาวกก็คือผู้ที่ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจนสามารถเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปได้ เราก็สามารถไปศึกษากับพระอริยสงฆ์สาวกได้แล้วแต่โอกาสว่าเราจะมีอะไรบางทีเราไม่มีพระอริยสงฆ์เราก็ต้องมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคําสอนของพระอริยสงฆ์สาวกเป็นตัวแทนก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ระหว่างพระธรรมคําสอนกับ การศึกษาจากพระอริยสงสาวกโดยตรงนี้ประโยชน์ที่จะได้หรือว่าวิธีการที่จะได้ที่พึ่งทางใจที่ง่ายกว่านั้นอยู่ที่การศึกษาโดยตรงจากพระอริยสงสารกเพราะเวลาศึกษากับพระอริยสงสาวกท่านจะคอยบอกคอยเตือนคอยสอน เวลาที่เราออกนอกลู่นอกทางท่านก็จะดึงเราให้กลับเข้าสู่ในลู่ในทางได้ถ้าเราศึกษาจากคำสอนโดยไม่มีครูไม่มีอาจารย์มาคอยกํากับดูแลเราก็อาจจะทะเลาไหลออกนอกลู่นอกทางได้หรืออาจจะปฏิบัติไม่เข้มข้นเพราะไม่มีผู้มาคอยเคี่ยวเข็นนั่นเอง แต่การที่ได้ศึกษากับพระอริยสงสาวกนี้จะมีคนคอยเตือนคอยสอนคอยบอกคอยห้ามคอยเขี่ยวเข็นคอยผลักดันเวลาที่เราเกียจค้านท่านก็จะดันเราพักเราเวลาเราออกนอกลู่นอกทางก็จะเด้งให้เราเข้ากับในลู่ในทางการปฏิบัติก็จะเป็นไปได้ง่ายกว่าและได้ผลรวดเร็วกว่า การศึกษาจากพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือจากพระอริยสงสาววกคดีคนที่จะศึกษาจากพระธรรมคาสอนและได้ผลดีนี้จะต้องเป็นคนที่มีความเข้มข้นมีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรที่จะคอยควบคุมบังคับ ให้ศึกษาให้ปฏิบัติมีวินัยในตนเองถ้าไม่มีวินัยก็จะศึกษาบางเวลาบางเวลาก็ไม่ศึกษาบางเวลาก็ไม่ปฏิบัติบางเวลาก็ปฏิบัติผลก็จะเป็นแบบรุ่มรุ่ ม, มดอนดอนแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์นี่คอยเคี่ยวคอยเข็นคอยดึงคอยเหนี่ยวคอยล้างเวลาออกนอกรูนอกทาง ก็จะทำให้ผลเกิดขึ้นอย่างเป็นกอ่อเป็นกรรมก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วนี่คือความแตกต่างเราระหว่างสารนะที่พึ่งทั้งสองชนิดที่เหลืออยู่ในโลกนี้คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีเลือกของพระอริยสงสาวก็ดีกับการได้ศึกษาโดยตรงจากพระอริยสงสาร มีความแตกต่างกันมากผลที่จะเกิดนี้มากจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ศึกษากับพระอริยรสงฆ์สาวกมากกว่าที่จะได้จากการศึกษาจากาคำสอนต่างๆเพราะว่าการศึกษาตามคำสอนถ้าเปรียบเทียบในสมัยปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับไปเรียนโรงเรียนน อ, น, อ น, อนอกห้องเรียนนั่นเอง เช่นเรียนนามคำแหงมหาไรนามคำแหงนักศึกษาต้องเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เอาเองไม่มีใครมาบังคับให้เข้าห้องเรียนว่างเวลาไหนเรียนก็ได้ไม่ว่างไม่เรียนก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรนักศึกษาต้องห้องเรียนจึงมักจะจบช้ากว่านักศึกษาที่เรียนในห้องเรียนเช่นนักศึกษาที่เรียนที่จุลาธรรมศาสตร์ ถึงเวลาก็ต้องเข้าห้องเรียนถึงเวลาก็ต้องส่งการบ้านถึงเวลาก็ต้องเข้าห้องสอบก็เลยเป็นสิ่งที่บังคับให้ต้องศึกษาต้องเรียนไม่ให้ไปทาภารกิจอย่างอื่นเพราะถ้าไปทําภารกิจอย่างอื่นไม่เข้าห้องศึกไม่เข้าห้องเรียนไม่เข้าห้องสอบก็จะสอบไม่ผ่านแล้วก็จะไม่จบนั่นเองไม่จบตามเวลาที่ได้กำหนดไว้แต่ถ้ามี มีการบังคับให้เข้าห้องเรียนมีการบังคับให้ทำการบ้านส่งการบ้านมีการบังคับให้เข้าห้องสอบก็นักศึกษานักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งใจทำการบ้านตั้งใจเตรียมตัวสอบพอได้มีความตั้งใจเตรียมตัวพอถึงเวลาสอบก็จะสอบผ่านก็จะเรียนจบได้ตามกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้นี่คือ เรื่องของการศึกษาจากพระธรรมคำสอนหรือจากการศึกษาจากครูผู้สอนโดยตรงถ้าในสมัยพุทธกาลก็ศึกษากับพระพุทธเจ้าเลยถ้าสมัยปัจจุบันนี้ก็ศึกษากับพระอริยสงสาวกต่างๆก็ต้องไปแสวงหาไปค้นหาดูว่าพระอริยสงสาวกแต่ละองค์นั้นท่านอยู่ที่ไหน แล้วก็ไปขอสมัครเรียนไปสมัครศึกษาอยู่กับท่านถ้าท่านเมตตารับไว้ก็ถือว่าได้รับได้สอบเอน r a n c e ได้ได้เข้ามาหาหลัยแล้วถ้าตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติภายในเวลาที่กำหนดไว้ก็จะสามารถบรรลุผลของธรรมได้มีที่พึ่งทางใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆของใจได้ นี่คือเรื่องของสารณะที่พึ่งทางใจของชาวพุทธเราคือพระพุทธเจ้าพราะธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและคําสอนของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายและพระอริยสงฆ์สาวกเองพุทธังธรรมังสังฆังสารนังกัฉามิตอนนี้เรามีอยู่สองเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ส่งจากเราไปแล้ว แต่องค์แทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่และเป็นคำสอนที่ยังมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเหมือนกับสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพอยู่เพราะพระธรรมคำสอนนี้เป็นอาการลิโกคือไม่ได้เสื่อมไปตามการตามเวลาเหมือนกับสิ่งต่างๆเช่นยาหรืออาหาร สมัยนี้เขามักจะติดฉลากไว้บอกว่าต้องบริโภคก่อนวันที่เท่านั้นเท่า น, น, านี้เพราะถ้าบริโภคหลังจากวันนั้นแล้วประสิทธิภาพจะไม่ดีหรือจะมีอันตรายต่อผู้บริโภคได้เพราะยาหรืออาหารนั้นเสื่อมคุณภาพไปแล้วแต่เขาทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีฉลากติดเอาไว้ว่า บริโภคก่อนวันนั้นหรือวันนี้สามารถใช้บริโภคได้ทุกยุคทุกสมัยอนาคตอีก500ปีอีกพ0 0ปีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเหมือนสมัยในครั้งพุทธกาลอยู่ทุกประการเพียงแต่ขอให้ผู้ศึกษานำเอาไปปฏิบัติให้ได้เท่านั้นเองก็คือนำเอาไป สร้างความสงบทำใจให้เฉยให้ได้ละตัณหาความอยากต่างๆให้ได้แล้วความทุกข์ต่างๆนี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาภายในใจเลยเพราะความทุกข์ต่างๆนั้นเกิดจากความอยากคือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี้เท่านั้นและความรู้ที่จะละกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา ก็คือความรู้ในความจริงของสภาวธรรมทั้งปวงว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาเสื่อมไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาเปลี่ยนไปไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาดับไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากไปห้ามเขาปล่อยเขาเป็นไปตามความเป็นจริงใจก็จะไม่ทุกข์ การปฏิบัตินี้ก็เป็นแต่ปฏิบัติเพื่อหยุดความอยากของใจเราท่านนั่นเองให้ใจเราอยู่เฉยๆเหมือนตอนนี้ตอนนี้เราไม่มีความอยากเราจึงนั่งตรงนี้ได้ถ้าเรามีความอยากเราจะนั่งตรงนี้ไม่ได้ถ้าอยากจะไปโทรคุยโทศรศัพท์กําลังกังวลเรื่องปัญหาทางบ้านกังวลเกี่ยวกับเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยานั่งฟังธรรมก็จะนั่งไม่ติด พอเกิดความอยากขึ้นมาจะต้องเดินออกไปเช็คโทรศัพท์ไปเช็คดูกับเหตุการณ์ต่างๆว่าเป็นอย่างไรบ้างเอแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็นั่งเฉยๆได้เพึ่งถ้ามองตามความเป็นจริงแล้วมันไม่น่ายากเย็นอะไรเลยการนั่งอยู่เฉยๆเหมือนตอนนี้เราก็นั่งกันได้สบายอแต่เวลามันอยากเท่านั้นน่ะที่มันทําให้เรานั่งไม่ได้พออยากจะดื่มอะไรขึ้นมานี่เดี๋ยวทนไม่ได้แล้วะ ต้องลุกขึ้นไปหาเครื่องดื่มมาดื่มเพะนั้นปัญหาของเราอยู่ที่เราทำใจให้เฉยๆไม่ได้เพราะเราปล่อยให้ไปตามความอยากมาจนติดเป็นนิสัยเวลาเกิดความอยากแล้วต้องไปทำตามความอยาก ท, ทันทีเพราะถ้าไม่ได้ทำแล้วมันจะตายให้ได้นั่นเองมันทรมานใจเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ได้ทำตามความอยาก แต่ไม่รู้ว่าการทําตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการกําจัดความทรมานใจอย่างถาวรเป็นการสร้างความทรมานใจลูกใหม่ขึ้นมาเพราะหลังจากที่เราได้กําจัดความทรมานใจลูกนี้แล้วเดี๋ยวความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วความทรมานใจลูกใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาอีกวิธีที่จะทําลายความทรมานใจให้หมดไปก็คือต้องไม่ไปทําตามความอยากเท่า น, นั้นเอง ให้ทำใจเฉยๆอยู่ต่อไปถ้าเราทำใจเฉยให้สงบได้ความอยากก็จะหายไปแล้วต่อไปความอยากก็จะไม่โผล่ขึ้นมานี่คือวิธีการของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิธีการดับทุกข์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือการละความอยากแต่พวกเราดับทุกข์ด้วยการทำตามความอยาก เวลาอยากได้อะไรก็ต้องไปหามาถึงจะหายทุกข์อยากได้ของก็ไปซื้อมาอยากได้คนก็ไปหามาอยากได้อะไรก็ไปหามาพอหามาแล้วก็ดีอกดีใจมีความสุขไปก็เลยคิดว่านี่คือวิธีดับความทุกข์ใจวิธีสร้างความสุขใจคือการทำตามความอยากแต่ไม่รู้ว่าแล้วความอยากลูกใหม่มันโผล่ขึ้นมาได้อย่างไร ก็เพราะว่าเมื่อมันได้สิ่งที่อยากได้แล้วต่อไปมันก็เฉยมันก็เบื่อมันก็อยากจะได้อะไรแปล ก, ก, กใหม่ๆขึ้นมาอีกมันก็เลยทำให้เกิดความอยากขึ้นมาใหม่มันก็จะอยากไปเรื่อยๆหรือสิ่งที่เราอยากได้มันหมดไปแล้วเราก็ต้องหามาใหม่ดื่มไปแล้วเดี๋ยวมันก็หมดลิตรพอหมดลิตความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่เช่นเดืมกาแฟหรือเดืม่มโซดา เวลาลิทธสุราฤทธกาแฟหมดความอยากจะให้มีฤทธของกาแฟฤทธของสุราเข้ามาในร่างกายก็เกิดขึ้นมาใหม่อมันก็จะต้องไปหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาไม่สามารถหาตามความอยากได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาดังนั้นนี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะทำลายความทุกข์ใจวิธีความทำลายความทุกข์ใจต้องฝืนความอยากต้องหยุดความอยากเท่านั้น เช่นเวลาเจอความแก่ก็จะไปอยากไม่แก่เผื่อให้มันเฉยๆปล่อยมันแก่ไปถ้าไม่มีความอยากไม่แก่แล้วจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีความอยากไม่เจ็บก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีความอยากไม่ตายมันก็จะไม่มีความทุกข์ังนั้นเราต้องมาสร้างเครื่องมือที่จะหยุดใจหยุดความอยาก ให้ใจอยู่เฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะอยู่เฉยๆได้ก็ต้องมีศีลมีสมาธิและมีปัญญานี้เองที่เป็นเครื่องมือที่จะรักษาใจให้อยู่เฉยๆได้นี่คือการวิธีดับความทุกข์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านสอนให้เราดับความทุกข์ด้วยการทาใจให้เฉยด้วยการสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมา เพาะถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วใจจะเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าเหตุการณ์จะดีหรือจะชั่วจะเฉยได้หมดสรรเสริญก็เฉยนินทาก็เฉยได้เงินมาก็เฉยเสียเงินไปก็เฉยรู้สึกเฉยเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เดือดร้อนเพราะว่าใจเห็นโทษของความไม่เฉยนี่เนี่คือการมา ศึกษามาทําความรู้จักกับที่พึ่งทางใจของพวกเราแล้วก็มาศึกษาวิธีที่จะสร้างาที่พึ่งทางใจนี้ให้มีอยู่ภายในใจของพวกเราเพื่อที่จะได้ดับความทุกข์ต่างๆเช่นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกันและความทุกข์ที่เกิดจากการเกิด กลับมาเกิดแก่เจ็บตายจะไม่มีถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคือถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทรงสอนให้เราปฏิบัติได้ก็คือให้เรามีศีลกันให้เรามีสมาธิกันให้เรามีปัญญากันเมื่อมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้ววิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ ก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์ภายในใจเลยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามจะแก่ก็ไม่ทุกข์จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์จะตายก็ไม่ทุกข์จะพัาดพลาดจากกันก็จะไม่ทุกข์แล้วก็จะไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งก็ขอให้พวกเราจงศึกษาและปฏิบัติสร้างที่พึ่งทางใจนี้ขึ้นมา mm. เพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พ่อนยะถาวาเลควาหาปุราปาิลปุรนติสาขังเอวเมวะอิตโตทินนางเปตานางอุปการปฏิอิชิตังปัทถิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะทามนิโชติ พระโสยะทาสภิติโยวิวาชันตุสัพพโรโครวินัสตุมาเตภวตวันตรารโยสุขีทีพายุโกภะอภิวาทานศีลสะนิจังวุธาปจายินโนจตารโธรรมวาทานติอายุวนันสุขังภาลา ช่วงต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความถามอยากจะถามก็ขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลยขอความกรุณาอย่ามาถามหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วเพราะว่าเหนื่อยแล้วปิดแล้วจบแล้วถ้าอยากจะถามก็ขอเชิญถามตอนนี้ได้เลย การวสการหลวงพ่อค่ะคือแฟนเขาอยากให้หนูไปอังกฤษด้วยปีหน้าค่ะก็น่าจะไปไม่นานประมาณสักสองสามเดือนอย่างเงี้ยค่ะเรายังตัดสินใจไม่ได้ก็เลยวันนี้เลยมาถามหลวงพ่อค่ะอทําไมต้องมาถามเราด้วย <c oughs> <c oughs> เราจะไปรู้ไปได้หรือไม่ได้ <c oughs> ทีก็คิดว่าคือบางทีฟังธรรมหลวงพ่อแบบไม่ให้ไปออกทางทางทางทางกรรมตัณหาทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะ แล้วนี่ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงอะคะ่ะก็เราต้องเลือกว่าจะเอาอะไรเนะ่ะเอาธรรมหรือเอาทางโลกถ้าเอาทางธรรมก็เพออยู่กับธรรมหาธรรมถ้าจะเอาทางโลกก็ต้องไปทางโลกค่ะลงคอค่ะมันเป็นคนละทางกันไปด้วยกันไม่ได้าบางครั้งมันก็ไปร่วมกันไดแ้แต่บางเวลามันถึงทางแยกมันต้องแยกทางกัน ตอนต้นก็ไปด้วยกันได้ <ฮะ S 2> แต่ถ้าถือศีลห้าทำบุญนี้ก็ไปด้วยกันได้<ฮ>ะจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปได้ <ฮะ S 2> ขอให้รักษาศีลห้าขอให้ทาบุญไป <ฮะ S 2> แต่ถ้าเราอยากจะละไมไม่อยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเราก็ต้องแยกเพราะทางโลกจะไปสู่การหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย ทางทำก็จะไปสู่ความสงบคะ่ะอันนี้เราก็ต้องเลือกว่าเราจะไปตอนนี้เราถึงทางแยกหรือ ย, อยังหรือเรายัางถึงทางทางที่ยังไปด้วยกันได้อยู่<ะ>ออถ้ายังไปด้วยกันได้ทําบุญ ท, ทําทานได้รักษาศีลห้าได้ก็ยังไปด้วยกันได้อยู่แต่ถ้าถึงทางที่เราจะไปรักษาศีลแปดเขาจะไปเขาไม่รักษาศีลแปดน 8, ี้ก็ไปด้วยกันไม่ได้นะแล้วคะ่ะหลวงพ่อค่ะ ขอบคุณมากคะ่ะคำถามจาก Facebook ค่ะสังเกตว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกมีชื่อเสียงโด่งดังไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักกีฬานักร้องนักแสดงพออ่านประวัติเขาแล้วก็จะพบว่าตอนเด็กๆเกขามักจะมีปมด้อยและจากปมด้อยอันนั้น ทำให้เขาหนีมันด้วยการทำสิ่งที่เขาชอบจนประสบความสำเร็จในชีวิตเช่นนักกีฬาว่ายน้ำโอลิมปิกแปดเหรียญทองที่เห็นว่าสระว่ายน้ำคือบ้านและการหายใจในน้ำคือความสุขเขาใช้เวลาซ้อมแต่ละวันมากกว่าสิบชั่วโมงจนทำให้เขาประสบความสำเร็จให้เขามีความสุขจากความสำเร็จเขาก็ต้องเจอทุกอยู่ดี แล้วพระอาหารหันต์ที่ท่านภาคเพียรปฏิบัติจนไม่ทุกข์กับอะไรเลยนี่ท่านมีปมได้อะไรเป็นแรงผลักดันคะท่านไม่อยากจะแกะ่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายค่ะคำถามจากคุณสุภาวรรคะ่ะหนูอยากทราบว่าถ้านั่งสมาธิแล้วจิตตั้งมั่นจะเกิดสภาวะเป็นแบบไหนคะเพราะที่นั่งปฏิบัติมาไม่แน่ใจว่า สภาวะที่เกิดเป็นจิตตั้งมั่นหรือเปล่าคะ่ะถ้าตั้งมั่นมันก็จะรู้เองมันจะร้องว่าอ๋อถ้ายังไม่ถึงอ๋อก็ยังไม่ยังไม่ตั้งมั่นก็ต้องทาต่อไปเรื่องอย่างนี้มันเรื่องสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นพูดไปก็เปลืองน้ำลายเปล่ า, า, าเอาไปปฏิบัติดีกว่าให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตั้งมั่นเองแล้วพอมันตั้งมั่นมันก็จะร้องอ๋อขึ้นมา คำถามจากคุณเชนจ์โอเวอร์ค่ะคำถามแรกเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตของเรากำลังเข้าสมาธิแล้วไม่ใช่เพียงแค่กำลังเจริญสติเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเวลาเรากินข้าว เ, เราอิ่มเรากินเข้าไปสิเดี๋ยวมันอิ่มมันก็รู้เองเรานั่งสมาธิไปเดี๋ยวเราก็รู้เองว่าเราจเจริญสติหร้อเราเข้าสมาธิข้อ2เราควรใช้ความคิด ก็ต่อเมื่อจิตของเราเข้าสู่สมาธิแล้วเท่านั้นและไม่ควรใช้ความคิดหรือสนใจความคิดขณะที่จิตยังไม่เข้าเป็นสมาธิเพราะความคิดที่เกิดก่อนการเข้าสมาธิเป็นความคิดฟุ้งซ่านถูกต้องหรือไม่ครับไม่ถูกต้องหรอกเวลาเข้าสมาธิก็ไม่ให้ใช้ความคิดเมื่อหยุดคิดแล้วก็ปล่อยมันหยุดคิดไปนานๆเพราะความสุขอยู่ที่การไม่คิด ที่เราปฏิบัตินี้เพื่อปฏิบัติเพื่อให้ใจมีความสุขดงั้นเวลาจิตเข้าสมาธิแล้วมันไม่คิดอย่าไปดึงมันมาคิดถ้าจะคิดเราให้มันออกมาก่อนออกจากสมาธิมาแล้วก็ค่อยคิดทีนี้เวลาจะคิดไปทางกิเลกก็หยุดมันให้มันคิดไปทางปัญญาแทนข้อ3ค่ะเราควรทำความเข้าใจและฝึกจิตอย่างไรเพื่อไม่ให้มีความเห็นแก่ตัว เช่นมีความอยากให้คนอื่นมาเข้าใจเราครับเราก็ต้องรู้จักเสียสละจาคะต้องอาทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคิดถึงความสุขของผู้อื่นคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นทาประโยชน์ทาความสุขให้แก่ผู้อื่นเราก็จะละความเห็นแก่ตัวได้ถ้าเราคิดจะเอาความสุขประโยชน์ใส่ตัวเราก็จะมีแต่ ความเห็นแก่ตัวพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามาแก้วความเห็นแก่ตัวด้วยการจาระด้วยการบริจาคด้วยการทําทานมีอะไรที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแจกเข้าไปจ่ายให้แก่ผู้ที่เขาขาดแครลนเดือดร้อนแล้วความเห็นแก่ตัวก็จะน้อยลงไปคําถามจากผู้ฝากถามค่ะเจอเหตุการณ์ที่มีพี่ที่ดูแลหนูจุกจิก ด้วยการสอดส่องพฤติกรรมเช่นเข้ามาดู facebook ว่าหนูโพสอะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแบบแรกหนูรู้สึกหงุดหงิดรำคาญว่าเขายุ่งเรื่องไม่ควรยุ่งแต่สักพักหนูก็รู้ทันว่าความรู้สึกหงุดหงิดเป็นกิเลสแล้วหนูก็สอนใจตัวเองว่าเขาจะยุ่งไม่ยุ่งเรื่องของเขาไม่ต้องไปสนใจ เรื่องของหนูควรที่จะทําใจเฉยๆการที่หนูคิดแบบนี้แสดงว่าเป็นการดูจิตดูใจดูกิเลส ต, ตัวเองไม่สนใจคนอื่นเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะก็เป็นวิธีทําลายความหงุดหงิดใจของเราความหงุดหงิดใจของเราอยู่ที่ความอยากของเราถ้าเราไปแก้ที่เขาเราจะไม่มีวันแก้ความหกรธหงุดได้เราจะแก้ความญหดหกิธ ของเราเราต้องมาแก้ที่ความอยากของเราคือความอยากไม่ให้เขามา ส, สอดส่องมาคอยติดตามดูนะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเขาอยากทำอะไรเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราก็มีมาตรการป้องกันได้พาสเวิร์ดก็มีทาให้ไม่ใส่เข้าไปออคือเมื่อคืนนี้ค่ะเมื่อตอนเยน็นนะคะก็โทรไปหาเพื่อนที่เป็นแม่ชีที่ว่าอยู่เลยอะค่ะ แล้วก็ห้ามเขาแล้วก็ชวนเขาให้มาทางนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะไปคนละทางอันนี้ถือว่าเราเป็นบาปไหมคะที่ว่าไปเรียกเขาให้กลับมาทางนี้อ๋อไม่บาปหรอกถ้าเราคิดว่าทางที่เราไปนี้มันถูกมันดีแล้วทางที่เขาไปไม่ถูกไม่ดีก็บอกเขาได้ได้แต่เขาจะมาไม่มาก็ห้ามเขาไม่ได้อ๋อค่ะถ้าเขาไม่มาก็อย่าไปโกรธเขาน่ะถ้าโกรธเขาแล้วก็ผิดแล้วค่ะ นมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ย้งก่อยากจะถามว่า เ, เวลาสมมติว่าเราจิตสงบแล้วแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่ ม, ม, มจิตเริ่มจะออกมาแล้วเราก็จะมาพิจารณาธรรมะในกรณีที่พิจารณาปฏิจจสมุปบาทพระอาจารย์ลองคร่าวๆได้ไห ม, ไมเจ้าค่ะไม่ควรจะไม่ควรไปพิจารณาตอนนั้นตอนนี้เอาขนมนมเ น, มนยก่อนาากาแฟก่อนอันนั้นมันคนละระดับ ยังระดับปริญญาเอกตอนนี้เอาปริญญาตรีก่อน <c oughs> เอาขนมนมเนยเอาลาบยศสารเสิร์ฟก่อน <c oughs> ตัดมันพวกนี้ไปก่อน <c oughs> ยังไม่ต้องไปถึงขั้นปฏิจจะปฏิจจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วอวิชชาแล้ว <c oughs> <c oughs> ออเจับ <c oughs> ปฏิบัติอวิชชาแต่ยังกินกาแฟอยู่ก็เสียเวลาเปล่าๆคนที่จะปฏิบัติ พิจารณาปฏิจจะได้เขาละหมดแล้วลาบยศสรรเสริญสุขละการมารมณ์ทุกอย่างแล้วเหลือแต่ให้ตัวนี้ตัวเดียวที่ยังละไม่ได้ก็คืออวิชชานี่าตัวสุดท้ายแล้วข้อสอบข้อสุดท้ายแล้ว Phd แล้วก็พูดทำไมแค่สติต่อไก่ขาไข่ยังมันไปไม่ถึงเลย เราจะไปพูดตรงนั้นมันก็เสียเวลาเปล่าๆมันเป็นความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดเป็นสัญญาเป็นความจำไม่ได้เป็นความจริงเห็นแต่ชื่อมันแต่ไม่เห็นตัวมันเพราะเรายังเข้าไม่ถึงตัวมันเพราเราถูกราบยศรเสริญกั้นไว้ถูกกามตันหากั้นไว้ถูกอะไรต่างๆกั้นไว้ยังเข้าไปไม่ถึงตัวอวิชชามั้นก็อ่านไปศึกษาไปก็เหมือนสอนคนตาบอดว่าสีเขียวสีแดงเป็นอย่างไร สอนไปมันก็มองไม่เห็นอยู่ดีเอตุนี้นนเราให้คนเขาลืมตาก่อนพอบอกแล้วเขาจะได้บอกก้อนี่สีนี้เขาเรียกสีเขียวนะอย่างนี้เขาเรียกสีแดงเขาก็จะรู้ทําได้แต่ถ้าปิดตาอย่าไปสอนเลยสอนอยังไงก็มองไม่เห็นว่าสีเขียวสีแดงเป็นยังไงอ่ามมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมอ่าอ่าทางบ้านเลยคุณต่อ ครับต่อไปเป็นคำถามจากาถามมาจากเขตปฏิบัติธรรมธรรมะในสวนนะครับจากผู้ปฏิบัตินะครับข้อที่หนึ่งนะครับลูกเพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ลูกต้องปฏิบัติธรรมอย่างไรบ้างเจ้าคะก็เรียนกอไก่เขาไข่ไปก็ทำทานไปตามกำลังของเราทำให้เป็นประจำเพื่อละความตณิลละความโลภในเงินทองเพื่อจะได้ไม่เอาเงินทองไปซื้อไปทำอะไรตามความอยาก ใช้เงินทองกับสิ่งที่จำเป็นก็คือปัจจัยสี่ถ้าเหลือก็เอาไปทําบุญทําทานแทนอย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าไปซื้อของตามความอยากต่างๆแล้วก็รักษาสีลห้าไปก่อนรักษาสีลห้าได้วันพรกก็ลองรักษาสินแปดดูถ้ารักษาสินแปดได้ต่อไปก็เพิ่มจากหนึ่งวันเป็นสองวันสามวันไปจนสามารถรักษาได้ทุกวันควบคู่ไปกับการฝึกนั่งสมาธิ จะนั่งสมาธิได้ก็ต้องจเจริญสติอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมานั่งเพราะถ้าไม่มีสตินั่งแล้วมันก็ไม่สงบนั่งแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อย่าไปนั่งให้เสียเวลาสู้หยุดความคิดให้ได้ในระดับหนึ่งก่อนด้วยสติให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปทั้งวันให้ได้ก่อนแล้วพอมีเวลาค่อยมานั่งสมาธิถ้านั่งแล้วมันก็จะสงบได้พอใจสงบแล้วขั้นต่อไปก็มาศึกษาปัญญา ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์และอะไรที่จะละความทุกข์ได้ละต้นเหตุของความทุกข์ได้อะไรคือปัญญาก็ฟังเทศไปเมื่อรู้แล้วแล้วก็นํามาใช้ปัญญาก็คือให้มองทุกอย่างว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราถ้าไปอยากให้เป็นของเราก็จะทุกข์อยากให้เที่ยงก็จะทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าไปอยากให้เขาเที่ยงอย่าไปอยากให้เขาเป็นของเรา ถึงเวลาเขาจะดับก็ให้เขาดับไปถึงเวลาเขาจะเป็นของคนอื่นก็ปล่อยให้มันเป็นไปเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติคร่าวๆรายละเอียดนี้ยังมีอีกเยอะแต่นี่เป็นเพียงแต่เส้นทางเดินแบบสังเขปรายละเอียดนี้จะต้องไปศึกษาในขณะที่เดินไปเดินไปแล้วก็จะค่อยศึกษาว่าตรงนี้ต้องทาอะไรบ้างอย่างไรบ้าง ข้อที่สองนะครับถ้าเรามีอัตตาตัวตนในตนเองสูงขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยให้ข้อธรรมในการขัดเก่าตนเองด้วยเจ้าค่ะก็พระพุทธเจ้าบอกให้เราทําตัวเป็นเหมือนปัตถพีทําตัวให้เราต่ําต้อยที่สุดคือแผ่นดินก็ทําตัวเราเป็นคนใช้เจอาไทยก็ถือว่าเขาเป็นเจ้านายเราเราเป็นคนรับใช้เขา แล้วเราก็จะลดอัดตราตัวตนลงไปได้อย่างพระบทใหม่นี่ต้องไปนั่งท้ายแถวไปกินท้ายแถวเดินท้ายแถวอต้องไปรับใช้ครูบาอาจารย์เอล้างกระโถนล้ลางส้วมกวาดลานวัดถูพื้นอะไรอันนี้เป็นการฝึกขัดลดละตัวตนพระบวทใหม่ทางสายปฏิบัติจะต้องเป็นอย่างนี้กันทุกองค์ไปถึงจ ะ, จะก่อนจะมาเป็นพระจะเป็นปัฏฐานาทิปดีเป็นรัฐโมนตรีก็ไม่เป็น ไม่เป็นประเด็นเพราะว่าถือว่าได้สละสิ่งเหล่านั้นไปแล้วพอมาบวชแล้วถือว่าเป็นพระใหม่เป็นคนลาบใช้เป็นเหมือนทหารเกณฑ์เก็ต้องอยู่แบบทหารเกณฑ์จะไปอยู่แบบนายพลไม่ได้ถ้าอยากจะอยู่นายพลก็ต้องบวชไปนานๆยี่สิบสามสิบปีก็จะไปเป็นนายพลเองต่อไปแต่ตอนต้นนี้ยังเป็นฐหารเกณฑ์อยู่ก็ต้องอยู่แบบทหารเกณฑ์ แม้จะเคยเป็นพระราชาม า, ากษัตริย์เป็นอะไรก็ต้องเป็นฐานเกณฑ์อย่างในหลวงบวชท่านก็ต้องใส่รองเดินเท้าเปล่าออบิณฑบาตเดินตามพระพระพี่เลี้ยงไปเพราะพรรษาต่างกันพระพี่เลี้ยงมีพรรษามากกว่าในหลวงเป็นพระบวชใหม่ในหลวงก็ต้องเดินตามท้ายไป ข้อที่สามเวลาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมแล้วฟุ้งมากๆควรทำอย่างไรบ้างเจ้าคะเพื่อจะไม่ให้ฟุง้งก็พุโทโธพุโทโธไปเลยอย่าหยุดพุดโทโธหยุดเมื่อไหร่มันก็ฟุง้งเมื่อนั้นถ้าไม่พุโทโธแล้วมันจะไม่ฟุง้งข้อที่สี่นะครับสามีกำลังทำอาชีพเลี้ยงหมูแม่พันธุ์แล้วต้องขายลูกหมูลูกหมู ตัวผู้ต้องถูกจับตอนลูกมีความไม่สบายใจและขัดแย้งกันในเรื่องการทำอาชีพนี้การทาอาชีพนี้ลูกไม่ได้ทำแต่เป็นอาชีพของคนในครอบครัวลูกจะบาปไหมเจ้าคะถ้าเราไม่มีส่วนร่วมไม่มีส่วนได้รับผลประโยชน์ก็ไม่บาปคำถามจากคุณวัฒนานะครับ อยากทราบว่าจิตดั้งเดิมไม่มีหญิงไม่มีชายใช่ไหมครับหากใช่แล้วสวรรค์แต่ละชั้นทำไมมีหญิงชายรบกวนพระอาจารย์ช่วยอธิบายเพื่อความกระจ่างตัวจิตเองมันไม่เป็นหญิงมันไม่เป็นชายตัวที่ทำให้มันเป็นหญิงเป็นชายก็คือความชอบถ้าชอบแบบผู้หญิงเขาก็เรียกว่าเป็นผู้หญิงถ้าชอบแบบผู้ชายเขาก็เรียกว่าเป็นผู้ชายตัวจิตเองมันเป็นตัวรู้เฉยๆตัวรู้ตัวคิด แต่ตัวชอบนี้มันทําให้เป็นหญิงเป็นชายถ้าชอบผู้หญิงก็เป็นผู้ชายใช่ไหมถ้าชอบผู้ชายก็เป็นผู้หญิงมันก็อยู่ตรงนั้นแหละคําถามทะคุณอังคานะครับเรียนถามพระอาจารย์อธิบายภาวะที่จิตเคยสงบแล้วจิตเสื่อมมีลักษณะอย่างไรเคยได้ฟังหลวงตาอไม่ต้องอธิบายหล้วคุณเป็นก่อนแล้วค่อยอธิบายดีกว่า เป็นอธิบายไปก็เสีย เ, เวลาเปล่ า, ลาไม่เกิดประโยชน์อะไรตอนนี้คนเสื่อมอยแล้วเพราะคนไม่มีคุณทำให้มันมีขึ้นมาสิแล้วควรจะรู้ความแตกต่างระหว่างการมีกับไม่มีว่าเป็นอย่างไรเหมือนกับการเป็นเศรษฐีกับการเป็นคนจนมันเป็นอย่างไรมันก็แบบนั้นแหละเวลามีสมาธิท่านก็บอกว่าเป็นเหมือนเป็นเศษเรษฐีพอเวลาเสื่อมจากสมาธิก็เป็นเหมือนขอทาน คำถามจากท่านเดิมนะครับขอพระอาจารย์แนะนาการประคองจิตให้อยู่นานๆเมื่อเข้าไปสู่จุดที่ว่าสงบแล้วเพราะตรงจุดนี้คำบริกรรมและลมหายใจกายหายไปเพราะก่อนจะถึงจุดนี้จะมีคำบริกรรมให้ยึดเกาะ อ, อยู่ค่ะก็ใช้สติที่เราได้จากคำบริกรรมนี้เวลาบริกรรมเราก็สร้างสติขึ้นมาคือตัวเราเลืกรู้ให้รู้อยู่กั บ, กบเฉยๆให้หยุดความคิดปุงแต่ ถ้าเรามีตัวนี้เราก็จะประครับประคองจิตให้อยู่ไปได้นานๆเวลาจิตจะปรุงปับ๊บเราก็หยุดมันเสียด้วยสติถ้ามีสติมีกําลังก็จะหยุดความคิดปรุงได้ถ้าสจิตสติไม่มีกําลังก็สู้ไม่ได้ก็จะปรุงแล้วก็จะถอยออกจากสมาธิออกมาคําถามจากคุณทิพกระดานะครับหนูป่วยเป็นมะเร็ง ถ้าช่วงสุดท้ายของชีวิตมาถึงขณะลมหายใจกำลังจะดับจากกำหนดและปฏิบัติอย่างไรคะจึงจะไปให้สูงที่สุดและไม่ลงอบายภูมิก็ต้องปล่อยวางร่างกายปล่อยให้มันตายไปทำใจให้เฉยๆถ้าไม่เฉยก็ใช้สติประครับประครองให้มันเฉยคือพุทโธพุทโธไปอย่าไปอยากให้มันไม่ตายให้รู้เฉยๆแล้วใจจะไปดี ไปสู่อริยภูมิคือละปล่อยวางละสากายทิฐิได้ปล่อยวางร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะตายก็ให้มันตายไปเราเป็นผู้รู้ก็ให้รู้เฉยๆแยกผู้รู้ออกจากร่างกายอย่าไปคิดว่าเป็นร่างกายถ้าคิดว่าเป็นร่างกายก็จะอยากให้ร่างกายไม่ตายถ้าปล่อยให้ร่างกายตายก็แสดงว่าไม่คิดไคิดว่าเป็นร่างกายของเราแล้ว เราถึงปล่อยได้เช่นเวลาคนอื่นตายเราปล่อยได้ไหมแต่ถ้าเราตายถ้าเราปล่อยเหมือนกันเราปล่อยคนอื่นตายได้ก็ถือว่าเราปล่อยร่างกายนี้แล้วไม่ได้ถือว่าเป็นของเราแล้วงั้นเราต้องปล่อยถ้าปล่อยแล้วเราก็จะละสักกายะทิฏฐิได้เราก็จะไปอริยภูมิไปเป็นพระโสดาบันได้คำถามจากคุณนุชนาศนะครับ โยมนั่งลำบากมากหากเรานั่งเก้าอี้จะเป็นเหตุเข้าถึงธรรมยากหรืออาจไม่ถึงใช่ไหมเจ้าคะคือการเข้าสู่สมาธินี้มันไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งเพียงอย่างเดียวมันอยู่ที่สติเป็นส่วนใหญ่ถ้าสติไม่ดีท่านั่งดียังไงก็เข้าไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้า ส, สติดีท่านั่งไม่ดีก็เข้าได้เช่นถ้าเราเป็นคนพิการไม่สามารถนั่งขัดสมาธิได้ ต้องนั่งเก้าอี้แต่ถ้าเรามีสติดีก็ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ดงนั้นท่านั่งมันไม่ได้เป็นตัวตัวสำคัญตัวสําคัญคือสติแต่ท่านั่งก็มีส่วนที่จะทําให้เรานั่งได้นานหรือไม่นานท่านั่งขัดสมาธินี้เป็นท่านั่งที่มันแน่นแฟนมั่นคงไม่เอ็งเอไม่เอียงไม่ไม่เอ็ไม่เอียงเหมื อ, ม อ, อมนกับนั่งบนเก้าอีน้นี่เดี๋ยวมันเอ็นไปทางซ้าย ฟุบลงไปได้เออเพราะว่ามันมันไม่สมดุลน้ําหนักมันอยู่ที่ตรงตรงตรงที่มันจะทําให้มันเองไปมาได้ง่ายกว่าแต่ถ้านั่งแบบขัดสมาดนี้่เท้าเข่าเรื่อนี้มันเป็นฐานทําให้ร่างกายนี้มันเองไปไหนไม่ได้มันก็จะนั่งได้นานพวกที่เขาเข้าฌานกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วเป็นวันนี้เขานั่งขัดสมาดกัน แต่ถ้านั่งไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องการเข้าถึงขนาดนั้นเราเพียงแต่ให้มันสงบนิ่งสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนี้ก็เป็นฐานของการที่จะออกมาเจริญปัญญาได้แล้วงั้นอย่าไปกังวลกับท่านั่งมากจนเกินไปให้กังวลกับสติให้มากว่าเรามีสติหรือไม่เราพุโทโธเราควบคุมความคิดของเราได้หรือไม่ตอนนี้สาคัญมาก คำ ถ, ถามจากาผู้ฟังธรรมอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งผมอ่านชื่อไม่ออกนะครับถ้ามีเด็กเล็กส่งเสียงดังระหว่างผู้อื่นนั่งฟังเทศพ่อแม่และเด็กจะเป็นบาปไหมครับพอดีลูกสาวสองขวบครึ่งชอบตามพ่อมาด้วยก็เลยพาไปนั่งที่โคนต้นโพถ้ามาฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ควรพาเด็กมาพาเด็กไปเที่ยวดีกว่าถ้าอยากจะมาฟังเทศฟังธรรมก็ มาคนเดียวหรือมาเอาเด็กฝากไว้กับใครคือจะว่าบาปมันก็ไม่บาปแต่มันไม่เป็นกุศลมันไม่เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นเพราะมันเป็นทาลายสมาธิของผู้ฟังคนอื่นเขานั่งฟังแล้วเขาจะไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังเพราะเสียงเด็กจะมารบกวนสมาธิในการฟังอนิสงส์ที่จะได้จากการฟังมันก็จะไม่ได้ จะไม่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เคยได้ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จะไม่ได้ฟังซ้ำอีกก็จะไม่ได้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นไปจะไม่กําจัดความสงสัยต่างๆได้จะไม่ทําให้ใจผ่องใสจะไม่ได้ทําให้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเพราะมัวแต่ไปกังวลไปลำคาญกับเสียงเด็กร้องนั่นเองดะงั้น ทางที่ดีเวลาไปที่ที่เขาต้องการความสงบนี้ไม่ควรเอาเด็กไปถ้าเอาเด็กไปก็ให้กินยานอนหลับก่อนพอหลับแล้วก็อุมไปคาถามจากคุณพาดานะครับปฏิบัติมาระยะหนึ่งขณาดนี้หากมีการกระเพื่อมของจิตอันเกิดจากอารมณ์จะเห็นตอนเกิดแต่ไม่เห็นตอนดับค่ะทำอย่างไรต่อดอีเวลามันเกิดก็ให้มันดับสิ ต้องหาวิธีดับมันให้ได้ดับด้วยสติก็ได้ดับด้วยปัญญาก็ได้ถ้าไม่มีสติก็ต้องสร้างสติขึ้นมาถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องสร้างปัญญาขึ้นมาถึงจะดับอารมณ์ต่างๆได้คําถามจากคุณระวิวันนะครับถ้าเราฟังธรรมใน You u t u b e ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนในขณะหลับและทํางานด้วยเราจะได้บุญไหมคะ เพราะเราต้องการฟังทุกขณะที่รับรู้และมีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับสัตว์โลกมันคือกรรมที่ทําไว้เราจะมีจิตกระด้างไปไหมคะเพราะมันรู้สึกเฉยๆแต่ก็ยังมีจิตเมตตาอยู่อ๋อไม่หรอกเฉยๆนี่ไม่ได้เป็นความกระด้างถ้ามีความเมตตาก็แสดงว่าไม่ได้เฉยแล้ว แต่การฟังธรรมไม่ควรจะฟังในเวลาหลับพราะฟังไปก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่ควรฟังในขณะที่ทําภารกิจการงานอย่างอื่นควรจะฟังในขณะที่เรานั่งเฉยๆอย่างตอนนี้เราไม่ได้ทําภารกิจอะไรเพราะเราจะได้ฟังได้อย่างเต็มร้อยถ้าเราไปทําอย่างอื่นใจเราจะแบ่งเป็นสองอยู่กับการงานที่เราทํากับอยู่กับการฟังมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาระหว่างงานกับการฟัง ฟังก็จะไม่ต่อเนื่องก็จะไม่ได้ประโยชน์เพราะทำนิมจะต้องฟังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นการแสดงเหตุและผลนั่นเองดังนั้นบางทีเราฟังแต่เหตุแต่เราไม่ได้มาฟังผลเราก็ไปเลยไม่รู้ว่าเหตุนี้มีไว้เพื่ออะไรดังนั้นถ้าจะฟังทำให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ก็ครไม่ควรจะทาอะไรกายวาจาใจต้องสมบ กายต้องนั่งเฉยๆวาจาก็ต้องหุบปากไว้ไม่พูดคุยกับใครใจก็ไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่กับเรื่องธทมเพียงอย่างเดียวทมที่เรากำลังฟังอยู่ในขณะนั้นเราก็จะได้รับประโยชน์อาจจะบรรลุธรรมขึ้นมาเลยก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันสกิตาคามีอนาคามีหรือเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้เลยจากการฟังธรรมนีเอง คำถามจากคุณ ช, ยชัยจีรัตรนะครับเป็นเด็กอายุสิบขวบนะครับถ้าไม่มีศีลห้าหรือศีลแปดจะผิดอะไรไหมครับก็บาปใช่ถ้าไปฆ่าสัตว์ก็บาปไปรักทรัพย์ก็บาปไปโกหกก็บาปคำถามจากคุณเสริมศักนะครับรูปปั้นของพระพุทธเจ้าทำไมถึง หลบตาลงต่ำและยิ้มน้อยๆแล้วรูปปั้นของพระพุทธเจ้าที่เมียนมาถึงทาปากแดงอัอนี่เป็นเรื่องของคนที่เขาผลิตพระพุทธรูปขึ้นมาตามจินตนาการของเขาเขาก็ว่าไปตามความรู้สึกนึกคิดของเขาไม่มีสาระอะไรสำคัญเพียงแต่ให้เรารู้ว่านี่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ได้เป็นตัวพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราได้ลำลึกถึงพระพุทธเจ้า ประวัติของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนั่นคือหน้าที่ของพระพุทธรูปอย่าไปสงสัยอย่าไปกังวลว่าทําไมหัวแหลมทําไมามีผมทําไมพระไม่มีทําไมพระพุทธเจ้ามีผมอันนี้มันเป็นเรื่องของคนที่เขาปั้นขึ้นมาคําถามจะคุณจิระพิพัฒนะครับขอความหมายของคําว่าจิตดับ ในความหมายของพระอาจารย์คือจิตมันไม่ดับสิ่งที่ดับก็คือความทุกขนะ์ที่เกิดและดับะจิตไม่มีวันดับอย่างที่พระญาติทรงตัดไว้ว่าทุกเท่านั้นที่เกิดมีทุกเท่านั้นที่เกิดและมีทุกเท่านั้นที่ดับนอกนั้นมันไม่ดับจิตไม่ดับตัวจิตไม่มีวันดับมีคุณศุรศักดิ์ถามมา น, นะครับว่าตอนนี้อยู่ที่วัดอยากเข้าไปฟังธรรมต้องไปที่ไหนครับ ก็มาที่นี่งไง เ, เขาไม่ทราบครับรอาจารย์ก็เปิดเปิด GPS ดูเลยเขาชีโอนครับเขาชีโอ น, น<ม>ตอนนี้คำ<ข>อ๋อมีคำถามจากก็ในเฟซก็มีมีแผนที่ให้ดูไม่ใช่เหรอก็ไปในเฟซดูเลยคำถามจากทาง YouTube นะครับขอเรียนถามว่าปัจจุบันเราใช้บัตรเครดิตเป็นปกติประจำ ถ้าเราไปซื้อของมาทำบุญใช้บัตรเครดิตจะเป็นไรไหมคะเพราะเอาของมาก่อนจ่ายทีหลังอันนี้เป็นเรื่องของทางโลกเขาไม่ถือว่าเป็นเป็นการลักทรัพย์แต่อย่างใดไม่ได้เป็นการขโมยของแต่อย่างใดจะเป็นก็ตอนที่เราไม่ไปจ่ายเขาเท่านั้น <c oughs> <c oughs> แล้วบุญที่เราได้ก็จะหายไป <c oughs> กลายเป็นบาปขึ้นมาแทนตอนนี้ยังไม่เป็น อันนี้ยังบุญก็ยังไม่เป็นบุญอยู่จะเป็นบุญตอนที่เราจ่ายเงินเขาแล้ว <laughs> คำถามจากคุณกิดนะครับการบนบานเป็นจริงหรือไม่ไม่จริงหรอกถ้าได้กระปานนี้ก็เป็นนายกกันทุกคนแล้ว <laughs> เป็นมหาเศรษฐีกันทุกคนแล้วสิ่งที่เป็นจริงก็คือบุญกรรมอันนี้แหละเป็นจริง ที่รวยจนก็เรื่องบุญเรื่องกรรมนี่แหละที่ดีเรือชั่วก็เรื่องบุญเรื่องกรรมนี่ยอย่าไปบนบานให้มันเสียเวลาเลยมาทำบุญดีกว่ามาละบาปดีกว่าแล้วก็จะได้สิ่งดีๆต่างๆและจะตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราได้จากท่านเดิมนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีสมาธิคะอันนี้ต้องปฏิบัติเนี่ย ถึงจะรู้ได้เหมือนคนกินข้าวจะรู้ได้ไงว่าอิ่มหรือไม่อิ่มถ้าไม่กินไม่รู้ว่ามันอิ่มหรือไม่อิ่มกินแล้วก็รู้เองสันทิฏกอตามของพุทธเจ้าท่านบอกเป็นสันทิฏกอคําถามจาคุณจินนี่กายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วจิตนี้ใช่ของเราหรือไม่คะเอนตาตอนต้นเอกกายก่อนก็นกายไม่ใช่ของเรา เมื่อกายไม่ใช่ของเราแล้วค่อยไปดูที่จิตอีกทีว่ามันเป็นของเราหรือเปล่าอันนี้มันไปกายเกินไปเดี๋ยวจะสับสนเอาทีละตัวก่อนเอากายให้ได้ก่อนปล่อยกายให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปปล่อยจิตอีกที่หนึง่งแล้วต้องรู้ว่าปล่อยอะไรถึงเรียกว่าปล่อยจิต ь. เพราะคําว่าจิตมันมีสองความหมายจิตคือตัวรู้กับจิตที่ตัวคิดเวลาจะไปปล่อยเราไปปล่อยที่ตัวคิดเแต่ตัวรู้เราปล่อยไม่ได้เพราะตัวรู้มัน กับมันกับเราอยู่ด้วยกัน่ะจะไปปล่อยได้ไงอแต่ตัวคิดนี่เราปล่อยได้หยุดคิดได้แต่ตัวรู้นี่เราหยุดรู้ไม่ได้มันก็ต้องรู้ของมันอยู่ตลอดเวลาอสักแต่ว่ารู้ไงคําถามจากคุณนุชนาทนะครับโยมนั่งสวดมนต์ตอนเย็นในบท สวดอิติปิโสแล้วโยมก็ทําใจให้จดจ่อกับเสียงและบทสวดต่อมาขณะกําลังสวดบทเดิมโยมได้ยินแต่เสียงตัวเองและรู้สึกว่าตัวตนไม่มีสิ่งที่แสดงตัวตนว่าเป็นโยมคือเสียงโยมรู้สึกกลัวเหมือนถูกขังกลัวกลับมาเป็นตัวเองไม่ได้ต้องแก้ไขแบบไหนคะแล้วคืออะไรคะแบบที่โยมเป็น ก็คือความฟุ้งซ่านของโยมคิดไปแบบไม่มีเหตุไม่มีผลมันก็เลยเป็นอย่างนี้ถ้าคิดด้วยเหตุด้วยผลมันก็ไม่มีอะไรก็รู้ว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดของเราเท่านั้นเองพอหยุดมันก็หายไปคิดแล้วก็ฟุ้งซ่านไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนคือคนตื่นเงาตัวเองเห็นเงาตัวเองก็คิดว่าผีมาแล้วพอเงาขยับหน่อยผีขยับแล้ว พระอาจารย์ครับขอถามเสริมของของเด็กสิบขวบเมื่อสักครู่นะครับไม่มีศีลห้าศีลแปดแต่ถ้าในขณะที่เป็นเด็กอยู่ยังไม่มีอมีไังไงก็ไม่ได้ทํา บ, บาปไงเวลาไม่ได้เด็กอยู่เฉยเฉยมันทําบาปที่ไหนก็มีศีลห้าแล้วอย่างพวกเราตอนนี้ก็มีศีลกันแล้วพ่าเรานั่งเฉยเฉยเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปรักทรัพย์ไม่ได้ไปประพฤติผิดประเวณีมีคนเรามีศีล เวลานอนเนี่ยมีศีลครบทุกคนนะอยากจะให้นอนกันทุกวันโลกนี้จะได้สงบกันปัญหาตอนมันตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วมันไม่ยอมยังมันไม่ยอมอยู่เฉยๆคําถามจากคุณปัญญานะครับเลี้ยงสัตว์ขายเป็นอาชีพบาปไหมครับอถ้าเอาไปฆ่าก็บาปนะถ้าไม่เอาไปฆ่าก็ไม่บาปตอนนี้คําถามหมดครับอาจารย์ก็พักก่อนก็ได้ เผืใครอยากจะถามต่อหรือใครมีอะไรเอาไม่เอาไม่เอาไม่ไหนเมื่อกี้อาจารย์บอกที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจิตไม่ดับเนี่ยคือมันหยุดคิดเฉยใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ใช่ดับตัวที่ดับก็คือความคิดในสังขารสังขารมันเกิดดับเกิดดับได้แต่ตัวรู้นี่มันไม่มีวันดับเนี่ยเราต้องแยกคําว่าจิตมันมีสองตัวตัวรู้กับตัวคิดเนี่ย เวลาจิตรวมในตัวคิดหายไปแต่ตัวรู้ยังอยู่สักแต่ว่ารู้ที่เรียกว่าเอกขตารมอุเบขานีนคือตัวรู้ตัวคิดสังขารมันหยุดไปมันดับไปแต่ที่ตัวดับนั่นหมาถึงว่าจิตดับก็คือหมดไปแล้วก็คือจากไปเลยใช่ไหมครับก็แล้วแต่เขาจะพูดเราไม่ได้พูดนะก็จิตไม่มีวันดับแต่าคุณจะบอกให้มันดับได้ยังไงนะว่าเมื่อกีบอกแล้วว่ามันไม่ดับ เวลาคนตายไปจิตไม่ได้ดับไปกับคนตายจิตมันก็ไปต่อสังขารมันยังปรุงแต่งอยู่มันก็ปรุงไปเป็นเทพเป็นเป็นเปรตถ้าทาบาปมันก็ปรุงไปทางเปรตถ้าทำบุญมันก็ปรุงไปเป็นเทพที่ไปนี้ไปเพราะสังขารพาไปไปเป็นเทพก็เพราะสังขารคิดดีพูดดีทำดีถ้าสังขารหยุดปรุงก็ไปเป็นพรหมถ้าสังขาร คิดไปทางปัญญาก็ไปเป็นอริยเจ้าเออมันไปอย่างมันตัวสังขารตัวนี้ตัวร้ายกาจถึงต้องมาคุมที่สังขารมันถูกอวิชชาเป็นตัวคุมไงอวิชชาปัจจยาสังขารเรมันอเราคิดไปในทางกิเลสคิดไปในทางตัณหาเราก็เลยต้องเอาปัญญามาแก้อวิชชาให้มันคิดไปในทางธรรมอให้คิดไปในทางอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาคิดไปในทางอสุภะ แล้วมันก็จะหยุดตันหาความอยากหยุดภพชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้นั่นแหละนี่แล้วเรียกว่าปฏิจจสามุปบาทแล้วเขา้าใจผููนี้ต้องต้องเขียนชื่อว่าเปล่าต้องบอกชื่อว่าเปล่าว่าเป็นปฏิจจสามุปบาทความจริงนี่สอนอยู่ตลอดเวลานี่ก็สอนปฏิจจะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยที่ที่สอนให้รู้ปัญให้เจริญปัญญานี่ก็แสดงให้ให้มาดับอวิชชาแล้วเอ ดับปฏิจจส ม, มุปบาทแล้วดับภพบชาติแล้วยังต้องมาให้เรียงตัวอักษรนอี่เหรอทางปฏิบัติกระทางปริยตัตมันไม่เหมือนกันอทางปริยัตินี้มันเป็นเหมือนกัรเรียงลาดับข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามแต่ทางปัญญานี้เราพูดกันเลยแสดงการกระทํากันเลยว่าอถ้าคิดไปในทางโลกกดหลวงก็อวิชชาไปแล้วอวิชชาปัญญาสังขารแล้วถ้าคิดไปในทางปัญญาก็เป็นธรรมะ รอรวิชาปัจจญาสังขาราถ้าวิชาปัจจญาสังขารามันก็จะดับตันหาดับพบดับชาติดับการเวียนว่ายตายเกิดถ้าคิดไปทางอวิชาไปทางตันหาไปทางอุปทานทางภาวะมันก็ไปทางพบชาตอ่าเอาใม่สักเอาใม่เอาใม่ท่น ห, ห, ห, หน่อยขอต่อตัวเมื่อกี้ที่ว่า ท, ที่ที่คุณต้อยถามว่าต้องทิ้งหรือเปล่าก็คือตัว สักแต่ว่ารู้ตัวนี้พอจริงๆแล้วถ้าเป็นพระหันก็ต้องทิ้งตัวนี้ไหมเจ้าคะทิ้งมันทําไมมันทิ้งได้นะทิ้งเงาได้ปะยังไงก็ต้องรู้เนีใถ้าอยู่ที่นั่นเชื่อครับเข้าใจว่าสังขารก็คือตัวสังขารสังขารมันตัวปรุงแต่งไงตัวนี้วิญญาณเปล่าใชตัวรู้ก็เรียกจิตเหมือนกันอวิญญาณเปนอีกเรื่องหนึ่งชอบไปเนี่ยพูดเรื่องนี้แล้วก็ไปกระโดดเรื่องนั้นคขึันไปเรื่อง อาเป็นสักต่ว่ารู้เส่ว่าอย่างไรก็ไปกับเราไอ้ตัวรู้เนี่ยมันอยู่กับเราตลอดให้อยู่กับตัวรู้แล้วปลอดภัยไปอยู่กับตัวหลงแล้วมันมันปรุงแต่งอาไปอยากถ้าอยู่กับตัวรู้มันจะไม่อยากมันจะเฉยเฉยอุเบคาอคําถามจากคุณสมบูรณ์นะครับเมื่อนั่งสมาธิจนจิตรวมเป็นหนึ่ง เหลือเพียงอารมณ์เดียวแต่ยังคงรู้สึกตัวตลอดนับว่ามาถูกทางไหมครับรู้สึกก็ท่านสักแต่ว่าเราถูกทางไม่มีความคิดตงแต่งมีความรู้สึกสุขมากสบายมากคำถามจะคุณขวัญเจ้าคะ่ะหนูปฏิบัติธรรมมาระยะหนึ่ง เคยอยู่วัดเพื่อภาวนาอย่างเดียวแต่ตอนนี้มาทำงานทางโลกต้องบำรุงร่างกายให้ดูดีลดน้ําหนักเพราะบางทีในการพบลูกค้าต้องดูดีแต่ในใจจะคานว่าสังขารร่างกายมีความเสื่อมไม่สามารถให้ร่างกายสวยงามได้ตลอดควรแค่ทำร่างกายให้สะอาดก็พอใช้ความรู้ในการคุยงานแต่บางครั้งมันไม่ได้อย่างที่คิดตอนนี้รู้สึกมีคาถามว่าเราต้องการอะไรกันแน่ ออกมาหาอะไรในทางโลกแต่เพราะปัใจจัยในการดำรงชีพไม่พอไม่มีจึงต้องหาและต้องเลี้ยงดูครอบครัวเพราะหนูเป็นคนโตเลยต้องอดทนกลัวว่าตอนแก่จะไม่มีใครเลี้ยงต้องเตรียมปัจจัยไว้ก่อนขอความเมตตาพระอาจารย์ให้คาแนะนำทีเจ้าคะ่ะก็บอกได้อย่างเดียวว่าถ้าไปทางธรรมแล้วไม่มีวันอดตาย ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายถ้ามีธรรมแล้วจะมะีมีปัจจัยสี่เลี้ยงดูไป จ, จนวันตายแต่ถ้าไปทางโลกก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองเพราะจะไม่มีใครเขาจะมาเลี้ยงเราแต่เขากำกับมาว่าเขาต้องเลี้ยงดูครอบครัวด้วยคาารับอาจารย์ก็เลี้ยงไปเองก็ไม่ได้ห้ามเลยจะเลี้ยงก็เลี้ยงไป คำถามข้อต่อไปจากคุณก้อยนะครับเคยทำสมาธิเวลานอนก็พุทโธจนตัวเบาร่างกายหายไปเหลือหัวและรู้พุทโธอยู่แต่กลัวว่าจิตจะหลุดออกจากร่างก็เลิกทำค่ะอยากทราบว่าอาการแบบนี้คืออะไรก็อาการกลัวสิอย่าไปกลัวอย่าไปปรุงแต่งจิตกับร่างกายมันไม่ออกหมันจะออกก็ตอนตายเท่านั้นอ่ะงั้นตอนนั่งสมาธิมันไม่ได้ออกเพียงแต่ จิตมันพักการรับรู้เรื่องของร่างกายไว้ชั่วขาวไอ้ตัววิญญาณตัวนี้มันหยุดทำงานวิญญาณที่ไปรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายมันหยุดทำงานมันก็เลยเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวแต่ตัวรู้เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสมันไม่ทำงานก็เลยไม่รู้รูปเสียงกลิ่นรสปุถะเพราะตัววิญญาณตัวสังขารตัวสัญญามันหยุดทางานในขณะที่จิตเข้าสู่ความสงบ ก็เลยเหลอแต่ตัวรู้ตัวเดียวที่เราเรียกว่าสัตว์แต่ว่ารู้นี่ตอนนี้กับตัววิ ญ, ญญาณมันคนละตัวกันค ำ, คำถามข้อต่อไปจากคุณจิระพิพัฒนะครับการดูผู้รู้วงเล็บรู้ความคิดเราเองแล้วกลับมาดูผู้รู้ที่รู้ความคิดอยู่ดูอยู่เรื่อยเป็นการปฏิบัติหรือเปล่าอย่างไรครับมันมันปฏิบัติไม่ถึง การที่จะรู้ผู้รู้ได้ต้องต้องหยุดผู้คิดก่อนถึงจะเห็นผู้รู้ดังั้นการจะหยุดผู้คิดได้ต้องมีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุโทโธแล้วอยู่กับการอยู่ลมหายใจถ้านั่งเฉยๆหรือถ้าการเคลื่อนไหวก็ดูที่ร่างกายก็ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะหยุดคิด พอหยุดคิดก็จะเจอตัวรู้ขึ้นมาแล้วเราก็จะรู้ว่าการที่จะรู้เฉยๆนั้นทำอย่างไรแต่ถ้าเรายังไม่ได้หยุดความคิดเราจะไม่รู้ว่าตัวรู้นั้นอยู่ที่ตัวไหนก็เดี๋ยวก็จะไปสงสัยเรื่องตัววิญญงวิญญาณขึ้นมาอีกมันคนละตัวกันยันวิธีที่จะดูจิตดูใจดูตัวรู้ต้องทำใจให้สงบให้เข้าสมาธิให้ได้แล้วก็จะเห็นตัวรู้ เมื่อเห็นตัวรู้แล้วก็รู้ว่าการรู้เฉยๆนี่ดีเหลือเกินต่อไปเราเห็นอะไรเราจะได้รู้เฉยๆอย่าไปรู้ด้วยความอยากพอเห็นกระ เ, เป๋าก็อยากได้พออยากได้ก็ทุกข์เข้ใจไหมอยู่ไม่เป็นสุขแต่ถ้ารู้เฉยๆเห็นแล้วเฉยๆก็จะไม่ทุกข์ไม่มีก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนเพอรู้เฉยๆจะรู้เฉยๆได้หรือเปล่าเวลาเกิดความอยาก ก็ตอนนั้นก็เหมือน ก, นการชักก็เยอะกันระหว่างดึงใจให้อยู่กับรู้เฉยๆเลย ไ, ไปรู้ประลืออยู่กับสังขารความอยากสังขารก็ปรุงให้อยากเนี่ยนันจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวคิดหรืออยู่ที่ตัวรู้ถ้าอยู่ที่ตัวรู้ก็ไม่มีความอยากจะซื้อกระเป๋าถ้าอยู่ที่ความคิดมันก็อยากจะซื้อกระเป๋าขึ้นมาคิดว่าโอ้ยสวยคิดว่าดีคิดว่าต้องใช้ต้องมี เอาไปใช้กับงานนั้นใช้กับชุดนั้นช่วยกับชุดนี้มันก็เราอยากจะซื้อขึ้นมาอสังขารปรุงไปแล้วถ้ารู้เฉยๆหยุดสังขารได้มันก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องซื้อใช่ไหมเหตุผลมันสร้างด้วยสังขารสังขารมันสร้างขึ้นมาเองมันจะหวานแม่น้ำทั้งห้ามาเพื่อให้เราซื้อกระเป๋าใบนี้ให้ได้ถ้ามันอยากได้แล้วงั้นเราพูดโทพูดโธไปหยุดสังขารซิมันก็หยุดซื้อได้อืม กลับมาอยู่ที่ตัวรู้ได้สัมถารู้ได้คําถามจากทาง y o u ูทูบนะครับจากคุณธนทัศน์นะครับอนาคามีผลเมื่อเกิดขึ้นที่จิตแล้วเราจะพิจารณาตรวจสอบอย่างไรเพื่อไม่ให้โดยกิเลสหลอกออก็ให้ให้ได้ผลก่อนนะแล้วค่อยมาคุยกันถ้ายังไม่ได้ผลก็ไม่รู้จะคุยกันไปทำไมเอาสติให้ได้ก่อนเอาสมาธิให้ได้ก่อนออนะ เดี๋ยวาสักคำถามสองคำถามก็พอน ะ, อะใกล้จะหมดเวลาแนละ้วค่าคำถามจากคุณพนัพนนพานะครับที่เมื่อกี้ถามมานะครับดวงจิตที่ชอบพูดคุยตอบโต้กันเองในจิตดวงเดียวกันต้องใช้ทำข้อไหนแก้เจ้าคะใช้เหตุใช้ผลเลยถ้าจะโต้เถียงกันก็ต้องใช้หลักเหตุผลหลักเหตุผลนี่จะเป็นตัวที่จะทําให้ยุติทุกสิ่งทุกอย่างได้หเหตุผลก็คือทำแล้วสุขหรืทุกข์ ถ้าทำแล้วทุกข์ก็อย่าทำถ้าทำแล้วสุขก็ทำไปพระอาจารย์ครับที่พระอาจารย์ตอบอคำถามเรื่องฟงซ่านแล้วอยู่กับพุโทโธอยู่กับพุโทโธเนี่ยก็คือเป็นตัวเดียวกับการอยู่กับปัจจุบันหรือว่าอยู่กับปัจจุบันไม่ได้แล้วค่อยมาพุโทโธครับพระอาจารย์ก็เหมือนกันอ่ะคือให้อยู่เฉยๆไ ง, ไ, งไม่คิดปรุงแต่งให้รู้เฉยๆถ้ารู้เฉยๆมันก็จะอยู่กับปัจจุบันที่มันไปอดีตก็ไปเพราะความคิดพาไป อดีตมันผ่านไปแล้วมันไม่มีแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงมันมีแค่ปัจจุบันแต่เราถูกสังขารความคิดรรอหลอกให้ไปอยู่ปัจจุบันอยู่อะอยู่อนาคตอยู่อดีตกันความจริงมันไม่มีความจริงมันมีแค่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตรงนี้เท่านั้นเองที่บ้านตอนนี้ไม่มีแล้วออจะมีอีกทีก็ต่อเมื่อคุณกลับไปบ้านมันถึงจะมีตอนนี้มันไม่มีตอนนี้มีที่นี่ที่เดียว แต่มันไม่ยอมอยู่ที่นี่มันจะคิดถึงบ้านคิดถึงอะไรต่างๆมันก็เลยไปอนาคตละไปอดีตละบ้านในอดีตบ้านของเราที่เราเพิ่งออกมาและบ้านที่เราจะกลับไปหามันเป็นทั้งอดีตเป็นทั้งอนาคตใช่ไหมเพราะเราไม่อยู่ในปัจจุบันถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธบ้านก็จะหายไปก็จะเหลืออยู่ที่ตรงนี้อยู่กับหลวงพ่อฟังเทศฟังธรรมอันนี้ปัจจุบันมีแค่นี้ หาแล้วเนะี่ยพอแล้วยังออีกนิดนึงครับอาจารย์ถ้าเกิดปัจจุบันเนี่ยหมายก็ว่าปัจจุบันเนี่ยคือเราพิจารณาสิ่งที่อยู่ตรงข้างหน้าเราแต่ถ้าฟุ้งซ่านมากพิจารณาไม่ได้ก็ให้เอาพุโทโธขึ้นมากํากับใช่ไหมครับก็หยุดฟังฟุ้งซ่านไงหมแล้วเนะี่ยก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ